2. ประวัติวาน 3. ปุปปาธนิโรธวานหนึ่งปัจจุ ป, ปันนวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล 1. 5 3อนุโลมปุ ช, ชารูปขันของบุคคลใดกำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุ ช, ชา เวทนาขันของบุคคลใดกำลังดับรูปขันของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ 154. อนุโลมปุจฉ ah. าเวทนาขันของบุคคลใดกำลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัตชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดกำลังดับ เวทนาขันของบุคคล น, นั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาตหอสิบหอนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดกาลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็กาลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันกาลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่กาลังดับ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 ในภูมินั้นเวทนาขันกําลังดับและรูปขันก็กําลังเกิด156อนุรมปุจฉาเวทนาขันในภูมิใดกําลังเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาสัญญาขันในภูมิใดกําลังดับเวทนาขันในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่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 อสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้ ก, กําลังอุบัติในอรู ป, ปภูมิและบุคคลผู้ ก, กําลังจุ ต, ติจากอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและรูปขันธ์ไม่ใช่กําลังเกิด1นึ่ออนุโลมปุจฉา เวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัญญาขันไ ม, ม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิ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 วิสัชนาใช่ปัจจณีกับปุกคโลกา163อนุโลมปุจชารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กำลังจุดตีจากจตุโวการภูมิและปันจวโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กาลังเกิด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 วิจารนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการาภูมิและอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขั น, นของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่รูป mhm, ข mm. ันไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในอรูปภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและรูปขันก็ไม่ใช่กําลังเกิด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 หนึอนุโลมปุตชารูปขันของบุคคลใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิตชัชชาใช่ปฏิโดมปุตชาเวทนาขันของบุคคลใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตชัชชาใช่ห6ึอนุโลมปุตชา เวทนาขันของบุคคลใดเคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมโอกาส1 6เจอนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดเคยเกิดละ อนุโลมปุกคโลกาดหนอสิบแปอนุโลมปุต ช, ชารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่เคยดับบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและเวทนาขันก็เคยดับปฏิโมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิศัชนาะบุคคลผู้บัตรอยู่ในอรู ป, ปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปขันไม่เคยเกิด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 เวทนาขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปัจจณีกับบุคคล170อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิรลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยดับ รูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัรณาไม่มีหนึ่งออนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิจัรณาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัรณา ไม่มีปัจจณีกะโอกาส172อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่เคยเกิดละปัจจณีกะปุกโคลกาส173อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้น ก็ Bowl. ไม่เคยดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้บัตอยู่ในอรูปปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่เวทนาขันมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้บัตอยู่ในสุทธาวาสภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและเวทนาขันก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับ รูปขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภ, ภ, ภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่รูปขันมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปขันก็ไม่เคยเกิด174 เวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ 3. อนาคตวานว่าด้วยสภาปธรรมที่เป็นอนาคต อนุโลมบุคคล17ึ 175. อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดจะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดจกดับรูปขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนะ ชิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปประภูมิแล้วปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจะดับแต่รูปขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจกดับและรูปขันก็จะเกิด 176. อนุลมุตฉา เวทนาขันของบุคคลใดจะเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นจัดดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิรลมปุชชาสัญญาขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจิชิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจกดับและเวทนาขันก็จะเกิดอนุโลมโอกาส177อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดจะเกิดและอนุโลมปุกคโลกาอส178ปอนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด เวทนาขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสญญศัญยศต ภ, ภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นจะเกิดและเวทนาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉา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 เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะดับและรูปขันก็จะเกิด 179. อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจกดับ เวทนาขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาปัจฉิมพวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในปูมมนั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในปูมมนั้นจักดับและเวทนาขันก็จะเกิด ปัจจณีกับบุคคลหนึ่งร้ออนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิจัชนาะปัชิมภวิกบุคคลผู้ ก, กําลังอุบัติและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปปภูมิแล้วปรินิพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด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 เวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิจัดชนาะปัจชิมพระวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สัญญาขันมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและสัญญาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิรมปุจฉา สัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จกดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาะใช่ปัจจนีกับโอกาส182อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดละปัจจนีกับปุคคโลกาหนึสอนุโลมปุจฉา รูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกดับใช่ไหมวิจชนะนาปัจฉิมภาวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรู ป, ปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพาน รูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่จกดับปฏิโรมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จกดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่า น, นั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกดับ แต่รูปขันไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในปูมนั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันก็ไม่ใช่จักเกิดหนึ่งร้อยแปดิบสี่อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในปูมใดไม่ใช่จักเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในปูมนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาะ ปชิมพวิกะ บ, บุคคลผู้กำลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตต ภ, ภ, ภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและสัญญาขันก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ เวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ 4. ปัจจุปันนาตีตะวนันว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล185อนุโลมปุชชา รูปขัขนของบุคคลใดกําลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิสัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอรูปปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับ แต่รูปขันไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวโการภูมิและอสัญญาสัตตภูมิเวทนาของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและรูปขันก็กําลังเกิดในวงเล็บในอุปปาทวารท่านจําแนกขันทยมกส่วนปัจจุบันกับอดีตไว้ฉันใดในอุปปาทานิโรทวา น, นี้ก็พึงจําแนกฉันนั้นห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 สัญญาขันของบุคคล น, นั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตต ภ, ภ, ภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวกาลภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและเวทนาขันก็กำลังเกิดอนุลมโอกาส188อนุลมปุจฉารูปขันในภูมิใดกำลังเกิดละอนุลมปุคโลกาอส189อนุลมปุจฉา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 ปฏิลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปประภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปขันก็กำลังเกิด1นึ่งอยเก้าสินุลมุตฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกํกำลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จัดดับใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้น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 รูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่192อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้น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 สัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัิชนาใช่ปัจจณีกับโอกาสหนึ 3, อนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดปัจจณีกับปุข ค, คโลกาสหนอกาสิบสีอนุโลมปุจฉา รูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดเวทนาขันของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังจยติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปภปูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่เวทนาขันมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กาลังปรินิ พ, พาน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 อนุโลมบุคคล1 9ึ 196. อ่อนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้กำลังปรินิพานรูปขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้รูปขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและเวทนาขันก็จักดับ พติรมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่1 9ึ่อยเก้าสินุลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดเคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่สัญญาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัญญาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัรนาใช่อนุโลมโอการส1 9แอนุโลมปุจฉารูปขันในภูมิใดเคยเกิดละ อนุโลมปุกคโลกาหนึอนุโลมปุตชารูปขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิตติชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญาสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับ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 บุคคลผู้กำลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัดอยู่ในจตุโกรพภูมิและปัญโการพภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นเคยเกิดและสัญญาขันก็จักดับปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ เวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัิชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่เวทนาขันไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้บัติอยู่ในจตุโวการะภูมิและปัญจโวโการะภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและเวทนาขันก็เคยเกิด ปัจจณีกับบุคคล20งร้ออนุโลมปุจฉารูปขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาเวทนา ข, นขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนา เคยเกิด202 อ, อ, อ, อนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิจัชนาไม่มีปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปัจจณีกัโอกาส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 บุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาดภูมิและอรู ป, ปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปขันก็ไม่เคยเกิดสองร้อยอนุโลมปุจฉาเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัตชนา บุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสัญญาขันก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉา สัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้กําลังปรินิพานสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่เวทนาขันมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาภูมิและบุคคลผู้บัดยู่ในอสัญญาสัตตูมิ สัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันก็ไม่เคยเกิดอุปาทานิโรธวานจบปวัตติวานจบ